แก้ที่กิเลสตัวเองก่อนเนี่ยคุณเชื่อมากรดปัญหาไปได้เยอะเลยแต่ใครเนี่ยพยายามดูกิเลสคนอื่นแล้วก็พยายามไปจัดการกิเลสคนอื่นโดยลืมดูตัวเองเนี่ยนะปัญหามากแล้วก็แก้ยากด้วยเพราะว่าจะให้แก้ที่ไรก็ต้องไปให้แก้ที่คนโน้นคนนี้คนนั้นแต่ตัวเองไม่ได้แก้ถ้าแต่ละคนถนะ้าไปคิดลักษณะแบบนี้นะโอ้โหผู้ผู้ดูแล จะลําบากมากเลยแล้วนะเพราะว่าเมื่อไม่รู้ตัวเนี่ยเราพยายามไปเราพยายามไปแก้กคนอื่นแต่เราลืมตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยถ้ามีกิเลสอยู่เวลาเราจะไปคิดไปจัดการใครเนี่ยยิ่งถ้ากิเลสมากๆากนะเราก็ปรารถนาดีอ่ะก็หวานดีอ่ะแต่ไอ้ความที่เรามีกิเลสของเรามากๆเนี่ยมันจะทําให้การคิด ถือว่าการที่เราไปแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะลำเอียงหรือว่าจะเอากิเลสของเราเนี่ยเข้าไปแก้ซะส่วนใหญ่จริงมันก็มีเมตตามันก็มีความถูกต้องอยู่ด้วยแต่ในความถูกต้องในความเมตตามันจะเอากิเลสของเราเนี่ยเข้าไปด้วยยิ่งถ้ากิเลสมากเพอเพบางทีเนี่ยกิเลสจะเยอะกว่าด้วยนะกิเลสนี่คือการตามใจเรามันจะเยอะยิ่งกว่า ไอความหวังดีหรือความปรารถนาดีด้วยซ้าไปพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่าทํานาตัวเองให้ดีก่อนนะทํานาของชาวบ้านชาวช่องของคนอื่นเา้าอย่างนี้ก็เลยต้องต้องรอบคอบรัดกุมต้องระวังอีกอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ก็เลยเพื่อนฝูงทําอะไรไม่ดีก็เอ้ยนั่นนาเขาเพื่อนฝูมทําอะไรไม่ดีก็เอานั่นนาเขาไม่ใช่นาเรานะใครจะทําของส่วนกลางของอะไรให้มัน เสียหายให้มันแบบว่าย่อยยับอะไรก็นนาเขาก็ไม่ใช่ประเภทแหมฟังธรรมอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญญาเลยนะฟังธรรมอะไรก็ฟังแง่เดียวมุมเดียวอยู่อย่างนั้นอนะันนี้ต้องฉลาดด้วยนะเรารู้เราบอกได้ติงเตือนกันได้ยิ่งเนี่ยเราเพิ่งพ้นออกปรรษามาจริงๆเป็นธรรมเนียม ใศ า, าสนาพุทธประวัตาน้กีหมายถึงว่ายินดีให้ผู้ที่เราอยู่ด้วยหรือผู้ที่เราพบเห็นผู้ที่เรารู้จักสามารถที่จะตักเตือนสามารถที่จะบอกกล่าวได้ยินดีด้วยนะไม่ใช่กัดฟันว่าบอกมาเหอะบอกมาเหอะไม่ใช่กัดฟันไม่ใช่เก็บกดแบบนั้นยินดีที่จะให้เขาบอกกล่าวคือเป็นการตั้งจิตของเราเลย ว่าพร้อมที่จะให้ใครก็ได้ที่จะมาว่ากล่าวตักเตือนเราอันเนี้ยเป็นประเพณีอยากออกพรรษาสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่นนี่จะย่างเข้ามหาประวรณามหานี่เลยยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่เข้าไปอีกหมู่สงเราก็เนี่ยจะไปรวมกันที่ปฐมอโศกคราวนี้มหาประวรณาก็คือว่าโอ้โหไม่ใช่หมู่ที่อยู่ด้วยกันนี่เท่านั้นนะ แม้อยู่ที่อื่นแต่เขาบางทีได้ยินข่าวคราวมาของใครมาบอกกล่าวให้เขาฟังอะ่ะว่าเอ้นี่ได้ข่าวว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้นี่ประวรณนาเลยแม้ว่าไม่ได้อยู่ร่วมกันมาในบรรษานี้ก็ตามท่านอยู่พุทธฐานอื่นแห่งอื่นไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเราเลยนะในพรรษาแต่ท่านได้ยินข่าวมาหรือบางทีท่านก็เกิดระ ล, ลึกขึ้นมาได้ว่าโอ้โ oh, หตอนนั้นตอนนี้ เราเคยไม่ดีนะหรือเรานิสัยเคยเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาถามหรือว่ามาติงเตือนเราอีกได้อันนี้เป็นมหาปรนญาไม่ใช่แค่ในหมู่เราเท่านั้นแม้หมู่อื่นก็ติงเตือนได้แต่ตอนนีนะ้มาเข้าถึงการปฏิบัติแม้แต่การติงเตือนนี้ก็ตาม พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอีกอเห็นหั้ยมันจะไม่ไม่โตง่งพระพุทธเจ้าท่านไม่โต่งไปด้านหนึ่งนะหรือว่าโต่งไปอีกด้านหนึ่ง่าเงี้ยไม่ท่านจะรอบครอบจะรัดกุมเสมอว่าอ่านี้คนที่จะติงเตือนคนอื่นะจะว่ากล่าวคนอื่นหรือภาษาจะเรียกว่าจะชี้คุ้มรัพ์ให้คนอื่นก็ต่ามท่านบอกว่าต้องมีสภาวะจิตอยู่หอย่างนะหประการ ในการที่จะติงเตือนคนอื่นคือต้องมีวิธีการน่ะต้องรู้จักประมาณแล้วก็ต้องรู้จักดูเหตุการณ์ะอะไรต่างๆด้วยเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยมาก่อนเลยจะให้คุ้มทราบใครจะชี้แนะนำใครประการที่หนึ่งก็ต้องรู้การลาเทศนั่นเองรู้เวล่ําเวลาเวไหนเวลาไห น, ไ ห, นหรือว่าเวลานี้ควรจะติงเตือนไหมไม่ใช่เห็นอยู่แล้วคขหน้าเศร้ามาเลยเช่นะ เห็นแล้วนะบางทียกเว้นบางคนพูดกับใครไม่มองหน้าคนเลยอ่ะยกเว้นมาเพนทั้ حم. คือไม knows, ไ่รู้ไม่รู้เรื่องจะพูดกับใครอ่ะอยู่ในพบตัวเองเท่านั้นน่ะฉันอยากจะพูดอย่างนี้ฉันก็จะพูดอ่ะใครจะหน้าดำหน้าแดงอะไรมาฉันไม่รู้ด้วยฉันก็จะพูดของฉันอย่างนี้แหละนะไอ้อย่างนี้ยังขาดสัพพุริสธรรมมากเลยขาดการประมาณอยู่มากแต่ทีนี้เราพูดถึงคนที่ฝึกมาละ ปฏิบัติมาแล้วนะเขาจะดูว่าคนนี้เป็นยังไงล่ะนะ้าโง่เห้งเป็นยังไงบ้างคิ้วกขาขมวดมาแล้วโอ้โ ห, หน่าเขายุ่งมาแล้วนะแสดงว่าเขากําลังทุกข์ร้อนเขากาลังลำบากมามาถึงก็โอ้โหให้บุทรับใหญ่เลยนะช <c oughs> <c oughs> ี้อะไรอะชี้โทษภัยชี้ติงเตือนว่ากา่าใหญเลยนะอันนี้มันไม่เป็นเวลัมเวลาแล้วไม่รู้จักดูลา วนแม้เราปรารถนาดีใช่ไมเหมือนไปเยี่ยมไข่เนี่ยจริงปรารถนาดีนะไปเยี่ยมไข่เพื่อที่จะให้คนป่วยเนี่ยสภาวะจิตใจดีขึ้นแต่ปรากฏว่าไปเยี่ยมไข่แล้วนะไปพูดเรื่องแตตายไปพูดเรื่องโอโ้โหครอบครัวนะคนนั้นคนนี้เขากำลังทุกข์ร้อนนะไปพูดให้คนป่วยฟังคนป่วยก็ยิ่งแซว ล, ลงไปใหญ่เลยไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ไม่ไม่มีสติไม่รู้ตัวในการพูด เห็ไมไม่มีกาลรระเทสะ น, นี่แค่ยกตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจว่า น, นี่ประเด็นที่หนึ่งเลยพระเจ้าบอกอต่นี้ยิ่งจะติงเตือนคนเนี่ยจะติงเตือนเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่พูดสรรเสริญนะไม่ใช่พูด อ, อะไรอนะยกย่องนะติงเตือนส่วนใหญ่มันจะว่าใช่ไหมจะเป็นการพูดถึงสิ่งไม่ดีของเขา กำลังจะพูดสิ่งที่ผิดพลาดของเขาคุณคิดดูสิกาลังจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบใจหรือว่าพูดในสิ่งที่เขาจะไม่ถูกใจอ่ะเพราะนั้นการระวังหรือการมีสติก็ยิ่งต้องมากแต่ถ้าคุณไปพูดยอคนเออบางทนะีถ้าไม่ยอแบบบ้ๆบอเกินไปนะถ้าคุณคุณพูดชมอ่ะโท่มันรับได้ง่ายอยู่แล้วยังไงก็ใช่ไมชมเขายกเว้นใครที่ไม่ค่อยชอบความชมนั่นก็อีกเรื่องนึง แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่นะคุณพูดชมคนคุณพูดยกย่องคนเออคนนั้นเขาก็คงไม่มีปฏิกิริยาที่จะไปโกรธเกลียดอะไรเรานักถูกไหมว่าเราไปยกย่องเขาอ่ะแต่อันนี้ไปให้ขุมทรัพย์หรือไปตักเตือนเขาอ่ะมนสติข้อที่หนึ่งถึงบอกว่าจะต้องรู้จักกาละเทศะว่าเหมาะหรือยังสถานที่นี้จะต้องรู้ หรือบางทีกับบุคคลคราวนี้กับบุคคลแหละบางคนสนิทกับอะไรอะ่ะทํางานเนี่ยทํางานแล้วก็สนิทกับนักบวชมากๆเขานะคุณเคยทํางานคุณเคยบางทีก็เผลอมั่งกันลืมตัวนึกว่าเพื่อน <c oughs> อไปๆมาๆชักจะเหมือนเพื่อนแล้วะบางทีเราพูด พูดเล่นๆน่ะแต่พูดเล่นๆอย่างเงี้ยบางคนเขาอาคารวะญาติยอมคนอื่นที่เขาเคารพศรัทธาแ ล, แล้วเขาก็ไม่ได้คุณอย่างนั้นน่ะใช่ไหม <laughs> เขาจะรู้สึกอ้านี่ลามปามล่ะลามปามล่ะไม่เคารพนักบวชไม่เคารพผู้ใหญ่ละอ้าวก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีฐานะบุคคลหรือว่าอย่างเงี้ยครูหรือว่าพวกอาที่สอนเด็กๆ คนก็เด็กมากๆมากๆากเขาเด็กยิ่งเด็กกับเด็กมันไม่คิดอะไรมากหรอใช่ไหมเล่นกับเขามากๆเขาบอกว่าเขาลืมเด็กก็ล yeah. ืมได้เพราะผู er ้ใหญ่ยังลืมเลยบางทีอ yeah. mm ่ะบางทีผู้ใหญ่แล้วเนี่ยยังลืมตัวเลยยิ่งเด็กกับเขายิ่งลืมง่ายอย่างเง้ยเล่นกับเด็กมากๆเขาบางทีเด็กก็ลามอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องเตือนเขาต้องบอกเขาต้องให้เขารู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือบุคคล เราก็ต้องระวังต้องรู้ตัวเหมือนกันนะอันนี้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะในในประเด็นข้อที่หนึ่งว่าต้องรู้เว ล, เวลารู้สถานที่พูดง่ายๆก็รู้กาลเทศะนั่นเองนะอย่างที่สองคราวนี้แม้ประวาลนากันแล้วบอกว่าให้นะติงเตือนกันได้แต่ผู้ที่ติงเตือนก็ยังจ ะ, จะต้องรู้อีกว่าเอ้ที่เราพูดที่เราบอกเนี่ย เราต้องติงเตือนด้วยคำจริงนะด้วยคำจริงหรือว่าด้วยความจริงเนี่ยประเด็นนี้ฟังง่ายๆก็เอ้าก็ถูกก็จิพวกเราต้องถือศีลก็สีอส่อยู่แล้วอะพูดโกหกได้ยังไงพูดโกหกไม่ได้หรอกแต่ว่าบางครั้งอะเวลาที่เราพูดเนี่ยถ้าไม่มีสติดีๆไม่มีสติคอยระวังพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแหละแต่บางทีเนี่ยมันชอบเผลอใส่สีสันอยู่เรื่อย ชอบเผลอใส่สีสันเติมสีอิ่วมั่งนะเติมน้ำตาลมั่งเติมอะไรเข้าไปมั่งไม่อย่างงั้นฟังแล้วมันไม่ค่อยมีรสชาติเพราะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่อะเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวคือนิสัยพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยถ้าขาสติเผลอใจแล้วนะก็จะเป็นแบบโลโลกคือคิดอยู่แต่ว่าต้องให้คนฟัง ต้องให้คนกินอาหารเนี่ยกินแล้วอร่อยหรือว่าถ้าไม่อร่อยก็ต้องแบบกินแล้วต้องมีรสชาตินะเพราะฉะนั้นจะปรุงจะปรุงเข้มขน้นถ้าขาดสตินะถ้าลืมตัวก็จะปรุงอย่างนั้นทุกทีพอมีสติรู้ตัวก็เออไม่ได้ไม่ได้ต้องลดลงไอ้ที่จะใส่สีตีไข่ใส่เข้าไปเนี่ยนะเฮ้ยระวังระวังอย่าใจ่อย่าใส่เข้าไปอันเนี้ย คือเป็นความจริงที่เป็นจริงพย า, ยามไม่ง่ายนะเนี่ยเวลาอาตมาพูดอย่างเยี้ย่พูดง่ายแต่ความจริงอ่ะคุณไปสังเกตดูสิเขาเคยทดลองอาตมาก็เคยทดลองมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วครูก็เคยเอาวิธีการเนี้ยเอามาให้ใช้ทดลองแล้วเขาก็เอานักศึกษามาห้าคนเสร็จแล้วคนแรกเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังอะ่ะไม่ยาวเลยเรื่องสั้นๆเอง บางทีข้อความไม่ไม่กี่ประโยคหรอกนะเล่าให้ฟังให้ให้คนที่หนึ่งฟังโดยที่อีกสคนให้ไปอยู่ห่างๆก่อนนะเล่าให้คนแรกฟังพอเล่าให้คนแรกฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คนที่สองมาฟังจากคนที่หนึ่งโดยที่คนอื่นๆก็อย่ามาได้ยินอย่างเงี้ยเล่าไปจนครบสมมติว่าหคนหรือยิ่งถ้าไกลออกไปเป็นสิบคนเป็นไรนะโอ้โหยิ่งคนเยอะเท่าไหร่เนี่ยบางที ที่พวกเราชอบเอามาพูดกันบ่อยๆท่านติฆะชอบมาเล่าอีกาเจ็ดศพถ้า <c oughs> เรื่องอีกาเจ็ดศอคือมันจะเพี้ยนไปเลยมันจะเพี้ยนหรือว่าบางทีจะห่างไกลาจากความเป็นจริงไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนแค่ฟังมาเนี่ยเราฟังมาเราก็บางทีเราก็คิดไปตามความคิดเราถูกไหมเวลาเราเล่าเราก็เล่าตามความคิดเราแหละซึ่งบางทีเนี่ยมันจะ ใส่เข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามคนฟังแล้วก็ตามอารมณ์ของคนเล่าเพราะอันเนี้ยความจริงมันจะเพี้ยนไปเรื่อยจะเปลี่ยนไปเรื่อยอันเนี้ยเป็นข้อที่สองที่พระเจ้าถึงบอกว่าอ้าวต้องพยายามนะเ ล, เล่าเล่าตามความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าพยายามเล่าตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยยาวหรอกจะเล่าสั้นจะไม่ค่อยยาว เพราะอะไรเพราะถ้าไม่เติมอะไรเข้าไปมากนะเรื่องจะไม่ยาวเรื่องมันจะสั้นส่วนใหญ่ที่จะยาวมากๆเนี่ยเพราะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรื่องจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆยาวกึนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเกินจริงไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัวยิ่งคราวนี้เรามาพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นด้วยนะซึ่งพระเจ้าท่านก็จะสอนไม่อีกแหม้ว่าถ้าเราพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นท่านเลยมักจะแนะนําว่า ความไม่ดีของอื่นเนี่ยอย่าไปพูดมากนะให้พูดน้อยๆหรือว่าพูดประมาณหนึ่งซึ่งทำไมแนะนำอย่างนั้นก็เพราะว่าจะได้ไม่เผลอจะได้ไม่ไปเติมอะไรเข้าไปเยอะแยะยิ่งถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ค่อยชอบใจคนนี้อยู่แล้วด้วยนั่นแหละร0 0เปซเลยส่วนใหญ่คุณจะเติมเข้าไปจะมากจะน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองมันจะผสมความไม่ชอบใจเนี่ยหรือเราเรียกว่าอกคติคือความลาเอียง เพราะกิเลสเรายังมีอยู่ยิ่งถ้าคุณไม่มีสติรู้ตัวเนี่ยความลำเอียงนี้เข้าไปแน่นอนไม่มีทางว่าจะไม่เข้าขนาดพยายามมีสติรู้ตัวเนี่ยคุณยังต้องคุมดีๆเลยนะถ้าคุณคุมไม่ดีเนี่ยนะมันมันยังรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ น, นี้ชักจะมากไปหน่อยละอ่าชักจะพูดอะไรที่มันมันมันเกินเขาแล้วเกินที่เราเห็นมาหรือว่าเกินที่เราเราอะไรอะ่ะเราคิดตอนนั้นน่ะ เราเริ่มเอาความรู้สึกที่รักหรือว่าชังอะไรเงี้ยเข้าไปผสมแล้วเนี่ยถ้ามีสติรู้ตัวมันจะจับได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เวลาพูดเตือนคนอื่นเนี่ยเขาถึงจะเตือนตามความเป็นจริงซึ่งเตือนตามความเป็นจริงถึงบอกว่ามันไม่มากเกินไปหรอกมันจะพูดเนื้อๆพูดหลักๆออกมาเท่านั้นเองแล้วก็จบง่ายเห็นไหมสังเกตดูเรื่องก็จบง่าย ตัวเราเองก็จบง่ายด้วยเพราะว่ามันไม่ไปปรุงไม่ไปฟุง้งไม่ไปคิดอะไรมากมายตามที่รู้รมาหรือตามที่เห็นมาพยายามเล่าแค่นั้นก็จบง่ายแล้วคิดดูสิแค่เราคนพูดเนี่ยนะถ้าเราพยายามกักเรื่องเอาไว้ตามที่เราคิดว่ามันเป็นจริงขนาดนี้ขนาดนี้นะเราเล่าแค่นี้นะคุณรู้ไหมยิ่งคนฟังคนนี้ยิ่งคนที่โดนติคนที่โดนว่าคุณยึดว่า ถ้าเขาฟังนี่นะคุณว่าเขามีกิเลสมากเขาก็มีกิเลสใช่ไหมเพราะฉะ้เขาฟังเนี่ยนะไอ้ที่เราบอกว่าเราว่าเขาไปเนี่ยสมมติว่าเป็นน้ําหนักห้ากิโลเนี่ยแล้วว่าที่ลอาว่าเขานี่เบามากนะจริงๆเนี่ยเขาทําผิดตั้งสิบกิโลเนี่ยเนี่ยเราอุตส่าห์ติดว่าเอาเนื้อเนื้อเนี่ยเหลือแค่ห้ากิโลอย่างนั้นเนี่ยแต่คนฟังคุณรู้ไหมมันไม่ได้ฟังห้ากิโลหรอกนะคนฟังเนี่ย ที่เราตีว่าเขาเนี่ยบางทีเขาโอ้โหไม่ใช่สิบด้วยนะเขารู้สึกเหมือนกับโดนเข้าไปยี่สิบสามสิบกิโลพอบอกแล้วมันเป็นเรื่องที่มันหนักอยู่แล้วสาหรับคนที่โดนเน่เขาถึงบอกว่าคนที่ติติงว่าคนอื่นเน่ยมักจะจาไม่ค่อยได้แต่ไอ้คนที่โดนว่าเนี่ยโอ้โหมันจาแม่นเพราะว่ามันหนักเนี่ยมันหนัก นั่นแหละว่าอันนี้ยถ้าเราเข้าใจสภาพพวกนี้ได้เฮ้ยเราจะติติงจะว่ากล่าวแล้วนี่ก็ไม่ใช่ใครอ่ะเพื่อนฝูงยิ่งเขาอุตส่าห์มาปรณานนะให้ติติงว่าได้ไม่ใช่คิดในใจเลยนะโอ้โหยรอมานานแล้วแหมมาเลยมาเลยนั่นรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะมาปรนนารสทีเลยตุบตับตุบตับใหญ่เลยนะโอ้โหเต็มที่ ไอ้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคนมาปราราณาเราบางทีเขาก็ว่าเขาเตรียมใจมาพอสมควรนะแต่คุณอย่านึกว่าบางทีเขาจะรับได้หมดหรือว่าเขาจะรับได้ไหวนะบางงั้งถ้ามันหนักเกินอะไรเกินแล้วก็รับไม่ไหวหรอกถ้าเป็นสายโทระ์เนี่ยบางทีมื อ, อยังปรนมนะแล้วก็รับนั้นก็ยังรับอยู่นะกิยากายภายนอกก็ก็อะไรฮะดูสงบสงบเยี่ยมดี แต่บางทีภายในใจเนี่ยชักจะเริ่มต้านแล้วถ้าเขาเ ร, เริ่มรับไม่ไหวเพราะว่าอะไรที่มันเกินไปแล้วเนี่ยเกินการยอมรับได้ก็กลายเป็นไม่รับก็กลายเป็นการปฏิเสธเพราะฉระวังตรงนี้ด้วยเพราะฉั้นก็ต้องรู้จักประมาณว่าเออให้ขนาดนี้ขนาดนี้นะก็เป็นต้องเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วว่าขนาดนี้เท่านั้นเอาเฉพาะแค่นี้คีดว่าคนนี้ก็นะคงได้รู้แล้วแหละ นั่นนี่เป็นข้อที่สองนในเรื่องของความจริงส่วนข้อที่สามพุทธเจา้าท่านบอกว่าจะติงเตือนคนอื่นเขาเนี่ยเขามาปรวรณ า, าแล้วก็ต้องให้ด้วยความสุภาพต้องให้ด้วยความสุภาพ ส, สุภาวะเนี่ยคือสุภาพเป็นภาวะที่ดีหรือถ้าเป็นคําพูดก็ควรจะให้ด้วยคําพูดที่มันดีด อย่าเป็นคำพูดที่มันหยาบเกินไปนะถ้าคำพูดที่หยาบเกินไปโอ้โหบางทีมันรับไม่ไหวนะแล้วก็บางทีเขาเลยไม่รับเลยด้วยก็บอกแล้วอย่างบางทีเราจะไปติเขาเงี้ยจะไปเตือนเขาโอ้บางคนก็ไม่บอกตรงๆนยกตัวอย่างโน้นตัวอย่างนี้เห็นไหมบางคนเนี่ยศิลปะเยอะเหลือเกินนะ ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะว่าตรงๆก็จะรับไม่ได้โอ้โยกตัวอย่างอย่งเลยบางทีเผลอไปไม่ทันคิดไปยกตัวอย่างในในตัวอย่างนี้ก็มีหมูหมากาไก่อยู่ด้วยบางทีเขาเลยคิดเอ๊ะว่ากูเป็นหมูเป็นหมาหรือเปลเนี้ยบางทีก็คิดไปโน่นเนอะเพราะงั้นบางทีก็ต้องดูด้วยละเอเอเนื้อหาที่เราบอกไปว่าไปนะมันก็น่าที่จะสุสุภาพขนาดหนึ่งอย่าให้มันแบบว่า มันเกินเลยไปการยกตัวอย่างหรือบางทีจะเล่าชาดกให้ฟังทักเรื่องนะชาดกส่วนใหญ่ก็มีพวกสิงสาลาสัตว์อะไรต่างๆใช่ไมเยอะแยะโอ้แต่ไปยกตัวอย่างเรื่องนี้บางทีนะเขารับไม่ไหวเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็คิดว่าโอ้ไปว่าเขาเป็นแบบดีดริฉาหรื อ, อยังไงนะตรงนี้นะเป็นคำที่สุภาพเอาส่วนข้อที่สี่ ก็คิดว่าอะไรอย่างอื่นเราก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมมาเองน ะ, ะส่วนข้อที่สี่ก็คือต้องเป็นประโยชน์จะติงเตือนจะให้คุมทรัพย์ใครแล้วต้องคิดว่าเป็นประโยชน์หนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองหรือเป็นประโยชน์กับส่วนรวมคือมันมีสองลักษณะแล้วลักษณะหนึ่งคือเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาบางทีพูดไปแล้วเนี่ยมัน ขัดใจเขาแน่นอนแล้วเขาต้องไม่ชอบใจแน่ๆบางทีเราเรารู้นะพูดไปแล้วเขาไม่ชอบใจแน่นอนแต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็เลยต้องพูดอันเนี้ยบางทีมันมันจำนวนมันจำเป็นไม่พูดไม่ได้ไม่บอกก็ไม่ได้อันนี้นี่พูดถึงประโยชน์ของส่วนรวมก่อนแต่บางครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงส่วนตัวเขาและตอนนี้ไม่ไม่มีส่วนรวมเข้ามานะไม่เกี่ยวกับส่วนรวมแล้วแต่โดยเฉพาะตัวบุคคล บางทีถ้าเราคิดว่าเราพูดไปเพื่อประโยชน์ของตัวเขาคราวนี้แหละตั้งแต่ข้อที่หนึ่งสมากว่าจะมาถึงข้อที่สได้เนี่ยกูต้องเอามารวมกันและให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเขาจริงๆเราจะเผลอไปนึกถึงประโยชน์ที่เราคิดเอาเองของตัวเราเองตนะ่างหากว่าเขาน่าจะดีอย่างนี้เขาน่าจะแก้ไขยอย่างนี้ เขาน่าจะปรับปรุงอย่างนี้คือมันเป็นความคิดเฉพาะของเราเองที่เราเขาคิดว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์อย่างนี้แต่าบางทีเนี่ยโอ้โหนะสอนเขาใหญ่เลยนะว่าเขาใหญ่เลยนะเตือนเขาใหญ่เลยนะแต่ปรากฏว่าบางทีมันเกินไปอีกเหมือนกันแหละประโยชน์ถ้ามันหนาหนักเกินไปชนิดบุญหล่นทับพันกิโลพันกิโลแบกไม่ไหว นะหล่นทับเขาตายได้เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องรู้จักประมาณนะว่าเออประโยชน์ของเขาเนี่ยหมายถึงว่าติเขาไปแล้วว่าเขาไปแล้วเนี่ยต้องให้เขารับได้ต้องคำนวณตรงนี้ด้วยว่าเขาจะแบกน้ำหนักเนี่ยได้สักกี่กิโลอย่าลืมคำนวณตรงนี้ซึ่งตรงนี้บางทีพวกเราก็จะพลาดกันนะซึ่งถ้าเราคำนวณตรงนี้เนี่ยว่าโอ้โหคนนี้เขายังไม่เข้มแข็งมากนกนะ ดันการจะให้กลุมทรัพย์คนนี้นี่นะถ้าให้ประมาณนี้ประมาณนี้เออเขาคงจะรับได้นะ่ะจะไม่ให้มากกว่านี้แหละถ้ามากกว่านี้นี่เขาท้องแตกตายได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยประโยชน์นี่เราคํานึงจริงๆว่าประโยชน์สำหรับเขาจริงๆว่าถ้าเขารับประมาณนี้แล้วจะเป็นผลดีสําหรับเขา